ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาปรินิญพานสูตรว่าด้วยมหาปรินิญพานของพระพุทธเจ้าเริ่มเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าประทับหน้าภูเขาคิดสกูลใกล้กรุงราชฤก์พระเจ้าอาชาตศัตรูกษัตริย์แขวนมคธ ต, ต้องการจะตีแขว้นวัชีไว้ในอำนาจจึงส่งวัสดการปรามให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค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 จึงสร้างเมืองยุทธศาสตร์ไว้ที่ปตาตลิคามและได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ชันพัตนาหาหนะที่อยู่ของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปฉันเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาและเสด็จเดินทางต่อไปมหาอมาท์ทั้งสองตามทรงเสด็จและตั้งชื่อประตูที่เสด็จผ่านว่าประตูโคดมตั้งชื่อท่าน้ําที่เสด็จข้ามแม่น้ําคงคาว่า ชาโคดมสเสดจโกติคามและนาทิกคามเมื่อสเสดจข้าแมน่น้ำคงคาแล้วได้สเสดต่อไปในแคว้นวัชีสู่โกติคามนาทีนั้นทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสี่และแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากต่อจากนั้นได้สเสดจไปพักหน้าโรงพักคนเดินทางทาด้วยอิฐ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 เสด็จป่ามะม่วงของนางอัมพปาลีจากนาทิกาคามได้เสด็จไปพักณป่ามะม่วงของนางอัมภปาลีและได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายให้มีสติสัมปชัญญะและโดยเฉพาะได้แสดงการตั้งสติคือสติปฐานสี่ประการนางอัมพาปาลีซึ่งเป็นหญิงนครโสเพณี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 แล้วทรงแสดงบริษัทแมีขันติยะบริษัทเป็นต้นและการที่พระองค์เคยเสด็จเข้าไปสู่บริษัทเหล่านั้นทำพระองค์ให้เข้ากันได้กับบริษัทเหล่านั้นและทรงแสดงอภิพายตนะคืออารมณ์อันครอบงำธรรมะที่เป็นค่าศึกหรือธรรมะปายต่ำแปประการวิโมกคือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากธรรมะที่เป็นค่าศึกอีก8ประการ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 อยู่ได้อีกร้อยปีหรือยิ่งกว่าคำว่ากับปกติจะแปลว่ายาวนานมากนะครับแต่ในที่นี้หมายถึงอายุไขสูงสุดโดยเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้นๆส่วนคำว่ามานที่มาอาราธนาให้นิพพานนั้นอาจหมายได้หลายอย่างทั้งเทวปุตตมานและมัจจุมานสุดแต่จะอธิบายให้เหมาะสมเป็นปุคลาทิฏฐาน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 แล้วเสด็จจากกรุงเวสาลีสู่พันฑาคามส่งแสดงอริยธรรมคือธรรมะอันประเสริฐสี่ประการคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตหรือความหลุดพ้นและส่งแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากต่อจากนั้นเสด็จสู่หัตถิคามอัมพาคามจำพุคามและโพคานาคอนโดยลาดับ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 ครั้นแล้วเสด็จสู่กรุงปาวะานายจุนทะบุตรช่างทองนิมนต์ฉันก็เสด็จไปฉันพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายตรัสเรียกให้นำสุกรมัธวะซึ่งมีผู้แปลว่าเป็นมังสะหรือเนื้อสุกรอ่อนบ้างเป็นเห็ดชนิดหนึ่งบ้างตรัสเรียกให้นำสุกรมัธวะมาที่พระองค์ให้ถวายอาหารอื่นแด่พระสงฆ์